บทที่หนึ่งทำไมต้องบริหารเวลาชาวนาคนหนึ่งตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่เพื่อออกไปไถนาตั้งใจว่าวันนี้จะไถแปลงข้าวที่เหลืออยู่ให้หมดภายในวันเดียวเมื่อเริ่มตนตรวจดูก็พบว่าน้ำมันรถแท็กเตอร์หมดจึงต้องเดินไปซื้อน้ำมันระหว่างที่เดินผ่านเล้าหมูก็คิดขึ้นได้ว่าไหนๆก็เดินผ่านมาทางนี้แล้วแวะให้อาหารหมูเสียหน่อยก็คงไม่เป็นไรจะได้ช่วยผ่อนภาระให้ภรรยาได้บ้าง เขาจึงเดินเลี้ยวเข้าไปในโกดังเก็บอาหารหมูรันเมื่อเห็นกระสอบใส่อาหารหมูก็เตือนให้นึกถึงลูกนุ่นที่พร้อมจะเก็บได้จึงคว้ากระสอบเปล่าใบหนึ่งเพื่อไปเก็บนุ่นขณะที่เดินผ่านกองไม้ก็นึกขึ้นได้ว่าภรรยาสั่งให้มาเผาไม้เพื่อทำถ่านเพราะถ่านกำลังจะหมดเขาจึงวางกระสอบลงแล้วขนไม้มาเพื่อเตรียมจะเผาบังเอิญไก่ที่เลี้ยงไว้เดินหาอาหารผ่านมาเขาจึงจำได้ว่าช่วงที่ผ่านมาไก่ตายไปหลายตัวเพราะโรคระบาด เขาจึงตั้งใจที่จะแยกไก่ที่เป็นโรคออกจากตัวที่ไม่เป็นจึงเริ่มต้นไล่จับไก่จับได้เพียงไม่กี่ตัวดวงอาทิตย์ก็ตกถึงดินจึงเริ่มต้นเดินกลับบ้านนาที่ตั้งใจจะไถก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมยังรอคอยการคราดไถาจากรถแทรกเตอร์ต่อไปงานปลีกย่อยที่แวะเวียนไปทําระหว่างทางก็ไม่สําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยสักชิ้นเดียวผมคิดว่าหลายคนคงจะนึกขำขณะที่อ่านเรื่องเล่านี้ พร้องกับคิดในใจว่าชาวนาคนนี้ช่างเหลวไหลเรื่อเปื่อยเสียจริงๆช้าก่อนถ้าหากเราสังเกตชีวิตของเราให้ดีเราจะพบว่าหลายครั้งเราคือชาวนาคนนี้นั่นเองเพียงแต่ภาพชีวิตของเราอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนภาพชีวิตของชาวนาคนนี้เนื่องจากนั่นคือภาพจําลองชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเพียงวันหนึ่งของคนคนหนึ่งแต่สําหรับเราแล้วภาพชีวิตของเราคือทั้งชีวิต ชีวิตที่สั้นหรือยาวแตกต่างกันไปในแต่ละคนชีวิตของหลายๆคนที่ดําเนินไปอย่างไร้จุดหมายใช้เวลาให้ผ่านไปเพียงวันๆบั้นปลายชีวิตก็จะเต็มไปได้วยความว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดให้ระลึกถึงด้วยความภาคภูมิพึงพอใจเพราะไม่เคยสร้างสารรค์สิ่งดีใดๆให้เป็นแบบอย่างหรือพึงจดจําของสังคมซ้าร้ายบางคนกลับใช้เวลาในการสร้างภาระปัญหาให้กับสังคมอย่างมากมาย ในขณะที่อีกหลายๆคนไม่้มีเป้าหมายในชีวิตแต่ระหว่างเดินสู่เป้าหมายกลับเชยช้ออกนอกเส้นทางแหววเวียนไปทำสิ่งต่างๆตามสิ่งเร้าหรือการเรียกร้องของจิตใจจึงไปไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุดในขณะที่อีกหลายๆคนแม้มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนบากบานมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคไปจนถึงจุดหมายแต่ท้ายที่สุดกลับพบว่าจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้นั้นไม่ได้ให้ความสุขอิ่มเอมใจอย่างที่คาดหวังไว้ เนื่องจากเป้าหมายนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงเวลาและชีวิตไม่ใช่เทปคาสเซ็ตที่เมื่อหมดม้วนแล้วก็สามารถกรอกกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้แต่เวลาและชีวิตเป็นสิ่งที่ใช้หมดแล้วก็หมดไปเราแต่ละคนต่างมีเพียงชีวิตเดียวการใช้ชีวิตของเราจึงควรเป็นไปอย่างมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อเมื่อบั้นปลายชีวิตมาถึงเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจกับวันเวลาและชีวิตที่ผ่านมา แต่สามารถยิ้มอย่างภาคภูมิใจและบอกกับตัวเองได้ว่าเราได้ใช้เวลาในชีวิตที่ผ่านมาอย่างดีที่สุดแล้วเมื่อผมพิจารณาถึงคำถามที่ว่าทำไมเราต้องบริหารเวลาผมก็มาถึงคำตอบเดิมที่ว่าก็เพราะเวลาคือชีวิตน่ะสิการบริหารเวลาจึงเท่ากับการบริหารชีวิตและคนที่ต้องการประสบความสาเร็จและความสุขแท้ในชีวิตย่อมหลีกเลี่ยงการบริหารชีวิตหรือการบริหารเวลาไปไม่ได้ อย่างไรก็ตามผมขอเสนอข้อคิดเรื่องเหตุผลที่เราจำเป็นต้องบริหารเวลาไว้ดังนี้เวลาเป็นสิ่งสำคัญไม่มีเวลาจะทำอะไรไม่ได้เมื่อตอนผมเป็นเด็กผมเคยมีประสบการณ์ในการทำข้อสอบอย่างหนึ่งคือบางครั้งเมื่อผมพบข้อสอบที่ยากคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแทนที่ผมจะฆ่าไปทำข้ออื่นๆที่ทำได้ก่อนผมกลับจมเวลาอยู่กับการคิดหาคำตอบของข้อสอบข้อนั้นจนเวลาล่วงเลยไปมากครั้นเมื่อคิดออก หรือบางครั้งก็จนแต้มกับมันจริงๆแล้วเริ่มต้นทำข้อสอบข้อต่อมาได้เพียงไม่กี่ข้อก็ปรากฏว่าเวลาที่ต้องส่งข้อสอบมาถึงเสียแล้วผมจึงไม่มีเวลาที่จะทำข้อสอบที่เหลืออีกต่อไปหลายๆท่านคงจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาบ้างเช่นกันจนเมื่อเราโตขึ้นเราจึงเรียนรู้ว่าการบริหารเวลาในการทาข้อสอบอย่างไรจึงจะดีที่สุดในชีวิตของเราก็เช่นกันถ้าหากเราบริหารเวลาไม่ดี เราอาจจะต้องพลาดหลายสิ่งที่เราปรารถนาจะทำด้วยเหตุผลเดียวนั่นคือไม่มีเวลาหลายคนได้แต่ตั้งใจว่าจะอุทิศตัวเพื่อรับใช้สังคมในบางด้านแต่กลับทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้เนื่องจากมัวแต่สาละวนอยู่กับกิจธุระของตนเองและผัดผ่อนเวลาออกไปเรื่อยๆบางคนก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้ทำสิ่งที่มุ่งหวังไว้แท้จริงทุกสิ่งไม่ว่าจะสาคัญมากหรือน้อยล้วนแต่ต้องใช้เวลาในการทาทั้งสิ้น เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะบริหารเวลาอย่างดีเพื่อจะไม่พลาดสิ่งดีๆในชีวิตแม้สักสิ่งเดียวเวลามีจำกัดหยุดไม่ได้ยืดไม่ได้สะสมไม่ได้จะต้องใช้เงินเท่าใดจึงจะซื้อเวลาได้จะต้องใช้กําลังอํานาจใดจึงจะหยุดเวลาได้จะต้องใช้พลังมากมายมหาศาลเพียงใดจึงจะยืดเวลาออกไปได้จะต้องทําอย่างไรจึงจะสามารถสะสมเวลาได้ คำตอบสำหรับทุกคำถามข้างต้นคือทำไม่ได้เลยสักอย่างไม่มีใครหยุดเวลาหนุ่มสาไวไว้ได้ไม่มีมหาเศรษฐีคนใดสามารถซื้อวินาทีของชีวิตได้เมื่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายมาถึงไม่มีใครยืดเวลาออกไปได้เมื่อถึงกำหนดเวลาที่แท้จริงและไม่มีใครสามารถสะสมเวลาของวันนี้เพื่อไปใช้ในวันพรุ่งนี้ได้หากย้อนเวลาได้หลายคนคงอยากจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่ทำในอดีตให้ดีขึ้น บางคนคงอยากจะย้อนกลับไปฝึกภาษาอังกฤษเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่และคงจะมีอีกหลายความปรารถนาที่หลายคนอยากจะย้อนกลับไปทําแต่ทําไม่ได้เพราะเวลาได้ผ่านเลยไปเสียแล้วดังนั้นสิ่งเดียวที่เราสามารถทําได้ในวันนี้เพื่อไม่ต้องเสียใจในวันหน้าก็คือการตระหนักถึงความเป็นจริงแห่งเวลาดังกล่าวแล้วเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะบริหารเวลาบริหารชีวิตน้ำจากนี้ให้ดีที่สุด เพิ่งระลึกว่าแม้ว่าเราจะไม่ใช่เจ้านายเหนือเวลาที่ผ่านมาแต่เราคือเจ้านายเหนือเวลาที่ยังมาไม่ถึงและเราสามารถที่จะใช้มันให้เกิดผลสูงสุดได้หากเรามุ่งมั่นที่จะทำเช่นนั้นอย่างแท้จริงเวลามีคุณภาพต่างกันผมคิดว่าคงไม่มีนักศึกษาคนใดที่ใช้ช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดหรือง่วงที่สุดเพื่ออ่านหนังสือสอบเช่นเดียวกันคงไม่มีใครที่คิดจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ที่มีชื่อเสียงแต่มาเริ่มต้นฝึกฝนเพลงเตะอย่างเอาจริงเอาจังเมื่ออายุย่างเข้าสามสิบไปแล้วนอกจากปริมาณเวลาจะมีความสําคัญแล้วคุณภาพของเวลาก็เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งด้วยเวลาแต่ละช่วงของวันและแต่ละช่วงของชีวิตล้วนมีคุณภาพสําหรับการใช้งานที่แตกต่างกันโดยทั่วไปแล้วเวลาช่วงเช้าคือช่วงเวลาที่สมองของเรามีความแจ่มใสตื่นตัวมากที่สุดจึงเหมาะสําหรับกิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ความจำเช่นการทำความเข้าใจกับตำราเรียนการท่องจำการคิดวางแผนงานถ้าเราปล่อยเวลาช่วงนั้นให้ผ่านเลยไปด้วยการ น, นอนแช่อิ่มนั่งทอดหุยการอ่านหนังสือพิมพ์อย่างละเอียดหรือพิมพ์งานเอกสารแล้วค่อยมาเริ่มอ่านหนังสือหรือคิดวางแผนตอนช่วงบ่ายหลังอาหารเที่ยงซึ่งเป็นเวลาที่สมองของเรามักจะเฉื่อยชารับรู้อะไรได้ชา้าและมักจะมีอาการง่วงเข้ามาเกี่ยวพันอีกด้วย ก็นับได้ว่าเป็นการใช้คุณภาพของเวลาอย่างไม่เหมาะสมแท้จริงวัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาและพลังความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญยิ่งที่เราไม่ควรปล่อยให้ผ่านเลยไปอย่างไร้คุณค่าควรเป็นวัยที่เราจะมุ่งมั่นฝึกฝนตนในทุกๆด้านทางด้านสุขภาพร่างกายด้านความรู้ด้านประสบการณ์การทํางานและด้านสังคมสิ่งที่วัยหนุ่มสาวเรียนรู้ซึมซับในวันนี้ คือสิ่งที่จะปรากฏผลในระยะยาวในวันหน้าผลจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้และซึมซับอะไรในวันนี้หลายคนปล่อยปละล ะ, ละเลยชีวิตในวัยหนุ่มสาวไปกับเรื่องไร้สาระเที่ยวเดินชอปปิง้งสวนเสเฮฮาสำเลเทเมาไปวันๆครั้นเมื่อจะกลับตัวกลับใจหันมาตั้งใจเล่าเรียนศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองภายหลังก็พบว่ากำลังวังชาสติปัญญาคุณภาพของสมองได้ลดน้อยถอยลงไปมากแล้ว ซึงไม่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นเช่นวัยหนุ่มสาวอีกทั้งบางครั้งจังหวะโอกาสบางอย่างของชีวิตก็ได้ผ่านพ้นเลยไปแล้วอย่างน่าเสียดายแต่ได้มานั่งเสียใจกับวันเวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นถ้าหากเราเรียนรู้และตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพเวลาและเลือกใช้เวลาแต่ละช่วงของวันแต่ละช่วงของชีวิตให้เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมและเป้าหมายที่ตั้งไว้เราจะพบว่า ตัวเองก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่กำลังก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยเช่นกันเวลามีค่าเสียโอกาสผมมีความคิดว่าชีวิตคือกระบวนการเลือกการตัดสินใจนับหมื่นนับแสนครั้งในชีวิตประจําวันของเราหลายครั้งเราจําเป็นที่จะต้องเลือกทําสิ่งนั้นไม่ทําสิ่งนี้ทุกครั้งที่เราเลือกหรือตัดสินใจบางอย่างเท่ากับว่าเรากําลังทิ้งบางสิ่งหรือโอกาสที่จะทําสิ่งอื่นๆไป นั่นหมายความว่าเราได้ชั่งน้ําหนักในใจแล้วว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเหมาะสมมากที่สุดสําหรับเราถ้าเราเลือกที่จะอาศัยอยู่ที่กรุงเทพเราก็สูญเสียโอกาสที่จะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ในเมืองชายทะเลทุกๆวันถ้าเราเลือกที่จะไปทํางานต่างประเทศเราก็จะสูญเสียโอกาสที่จะใช้เวลากับครอบครัวเป็นต้นและอื่นๆในทํานองเดียวกันในเรื่องของการเลือกใช้เวลาก็เช่นกัน เนื่องจากเราไม่มีเวลาสำหรับทุกๆสิ่งที่เราอยากจะทำเราจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกกระทำในสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญและมีคุณค่าสูงสุดสำหรับเราและต้องเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบและคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนวิเคราะห์ผลดีผลเสียอย่างดีเลิศแล้วเพราะมิฉะนั้นเราจะต้องมานั่งเสียใจภายหลังเมื่อต้องพลาดสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตไปอย่างน่าเสียดายเช่นถ้าเราเลือกที่จะทุ่มเทเวลาฝึกฝนเป็นนักดนตรี เราก็คงจะสูญเสียโอกาสที่จะเป็นจิตรกรที่ดีถ้าเราเลือกที่จะใช้เวลาในการเที่ยวเตะกลางคืนนอนดึกเราก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นถ้าเราเลือกที่จะทุ่มเทเวลาให้กับงานอย่างไม่ลืมหูลืมตาเราก็มีแนวโน้มที่จะสูญเสียโอกาสในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขสมบูรณ์ ถ้าเราเลือกที่จะให้เวลาอย่างมากกับการคบเพื่อนเกกกมะเรก เ, รเกเรแน่นอนเราก็สูญเสียโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้ในที่สุดความจริงข้างต้นคือบทสรุปที่ว่าเราไม่สามารถใช้เวลาอย่างไรก็ได้เพราะเวลามีค่าเสียโอกาสเสมอทุกครั้งที่เราเลือกใช้เวลาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าเรากำลังสูญเสียโอกาสในการทำสิ่งอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกัน และสิ่งนั้นอาจจะมีคุณค่าอย่างอนเนกอนันต์ต่อชีวิตในระยะยาวของเราก็เป็นได้ผมอยากจะจบบทด้วยคำกล่าวที่สำคัญยิ่งของอลันลาเกียนผู้เชี่ยวชาญในการบริหารเวลาชั้นนําของโลกว่าเวลาคือชีวิตมันไม่มีวันย้อนกลับและไม่มีอะไรมาทดแทนมันได้การปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าๆเท่ากับเป็นการปล่อยชีวิตให้เสียไปเปล่าๆแต่การเป็นนายเหนือเวลาของคุณจะเท่ากับการเป็นนายเหนือชีวิตของคุณ และได้รับประโยชน์จากมันมากที่สุด